บุกทูสามสิบเอ็ดอนทรีดซตที่ร้านอาหารสามวรสตอรราซีทรีดิฉันอยากได้ออเดอร์ค่ะรัตบิคัคชโนเพรดีย์ ร bi k บ k คัคชโนเพรด t ทดิฉันอยากได้สลัดค่ะราดบ k a k คช o น Bild สล t o โตร da ะบ kak ค no s สล a t o d ดิฉันอยากได้สุปค่ะรดาดบ k a k คชโนยูโขราดะบ kak คช o นยู o Di ิฉันอยากได้ของหวานค่ะ รัดบ no no ี kak ชโนสลาดิซซารัดบีคัคชโน sla ดิซซดิฉันอยากได้ไอศครีมใส่วิปครีมค่ะรัดบีสลาดอลิตสม t a n นอรัดบีสลาดอลิตสมิทันอดิฉันอยากได้ผลไม้หรือชีสค่ะรัดบีซาดเยอลิซิร ราดาบิซาดียมอลิซีรเราต้องการทานอาหารเช้าราดิบิไซทอร์คอวารเราต้องการทานอาหารกลางวันราดิบิคอซิลีเราต้องการทานอาหารเย็นราดิบิเวเชีรยรีอลี อาหารเช้ารับเป็นอะไรดีคะคายเชลิเต้ซาไซต์ร์กขนมปังกับแยมและน้ำผึ้งไหมคะริมเลสเมาร์เมลาโดอินเมดอมขนมปังปิ้งกับไส้กรอกและชีสไหมคะโทสต์ซาลามอินซีรอม ไข่ลวกไหมคะคุชเน ย, ยเจไข่าดาวไหมคะยยเย่เจเนอโคออมเลตไหมคะออมเลโตขอโยเกิร์ตอีกหนึ่งถ้วยค่ะโปรซิมเชอแอนโยเกิรต์ตขอเกลือและพริกไทยด้วยค่ะ Prosim, ขอน้ำเปล่าอีกหนึ่งแก้วค่ะ